แต่ต้องเป็นการาฝึกหรือภาวนาเพื่อการเจริญสติด้วยวมันก็น่าสนใจนะว่าหน่วยงานธุรกิจชั้นนำเนี่ยเขาสนใจเรื่องนี้จริงจังมากมเรียกว่าจริงจังกว่กวาบ้านเราซิอีกอย่างกูเกิลเนี่ยนะพวกเราก็รู้จักดีนะเขามีการจัดคอร์ส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 อย่างบ้านเราโรงพยาบาลต่างๆที่มาปฏิบัติที่นี่ก็3วันถ้าไปจัดที่อื่นก็อาจจะมากกว่านี้เป็น5วันแต่ว่าเทียบไม่ได้ของ Google นะเขาทำนี่7อาทิตย์แค่เสาอาทิตย์แค่อทิลา2วันคือเสาอาทิตย์นี่มันก็ปาเข้าไป14วันแล้วแล้วก็จัดทั้งปีนะปกติแล้วความนิยมจากพนักงานมาก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 หลายครั้งแล้วของบ้านเราที่โชคดีนะท่านท่านมามาอยู่มามาสอนให้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนแต่ว่าท่านมีเวลาให้กับ Google แค่1วันเพื่อนบรรยายแล้วก็สอนกรรมาฐานเบื้องต้นเนนเรื่องการเจริญสติโดยตรงให้กับ CEO ผู้บริหารรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะของบริษัท ที่ทาเรื่องคอมพิวเตอร์นะเพราะว่าไอ้กูเกอร์นี่มันอยู่ในเขตที่โราซิลิคอนวัลเลย์นะบริษัท Apple บริษัทชื่อดังต่างๆที่เกี่ยวเรื่องคอมพิวเตอร์นี่มันก็อยู่แถบะแวกนั้นพอได้ชาวาท่านติดนันงมาเทศในที่กูเกอร์นี่ก็พวกซ e o ต่างๆก็เข้ามาฟังแล้วก็ล้นหลามเลยก่อนนน้นนั้นท่านก็ไปเทศให้ที่ World Bank หรือธนาคารโลก ธนาคารโลกนะซึ่งสนใจซึ่งดูเหมือนว่าสนใจเรื่องเงินเรื่องทองแต่ว่าคนทํางานนี่เขาก็สนใจสมาธิมากขึ้นอันนี้เนี่ยมันถ้าเทียบกับบริษัทในเมืองไทยนี่ของเราสู้เข้าไม่ได้นะฝรั่งนี่ก็ทําจริงจังมากเรื่องการทําสมาธิการฝึกแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเคี้ยวเข็นนะแค่เปิดแค่เปิดให้ เปิดรับสมัครก็มีคนไปจองไปปฏิบัติการล้นลหลามนะอย่างตอนที่ World Bank จัดให้ท่านจิตทหารไปพูดนี่ก็ได้ข่าวว่าห้องประชุมนี่แน่นขนาดต้องขยายห้องมีกล้องวงจรปิดนะเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้เข้าห้องประชุมได้ฟังมากขึ้นแลวเดี๋ยวนี้มันก็มีถึงขั้นว่ามีหน่วยงานรับรับ รับฝึกนะฝึกฝึกสตินะเป็นหน่วยงานทางธุรกิจเลยรับฝึกสติของบ้านเรานี่มามาฝึกฟรีที่วัดนะหรือว่ามีคารามาเป็นอาจารย์สอนสอนฟรีบางทีอาหารฟรีที่พักฟรีแต่ของฝรั่งนี่มันมีหน่วยงานเป็นองค์กรธุรกิจเลยนะรับจ้างฝึก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 ไม่ค่อยสนใจศาสนามีมากขึ้นหรือไม่ก็เป็นคริสต์เป็นคาทอลิกเป็นโปรเตสตนั่นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่สนใจศาสนาแล้ววันนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องศาสนาเขาก็อาจจะตั้งข้อรังเกียจหรือว่าระแวงแต่พอพูดถึงการเจริญสตินี่มันเป็นกลางๆแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้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 เป็นความนิยมที่เกิดขึ้นทุกวงการเดี๋ยวนี้ตามร้านหนังสือนี่มีมีหนังสือมากมายนยที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า mindful m i n d f u l แปลว่าสติถ้าอยากขายดีก็ต้องเติมคาว่า mindful เข้าไปเช่นการเลี้ยงลูกอย่างมีสติการกินอย่างมีสติการบำบัดอย่างมีสตินะมีแม้กระทัง่งการเมืองแบบสตินะ mindful politics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 ดูแลสุขภาพการกินการเลี้ยงลูกไอ้คําว่า My Food เนี่ยมันก็กลายเป็นคำที่ติ ด, ต, ดตลาดจนกระทั่งเมื่อเมื่อสองเดือนที่แล้วนะนิตยาาสาร Time เนี่ยก็ขึ้นปกเป็นรูปผู้หญิงกำลังนั่งทําสมาธิหลับตาพริมมีความสุขแล้วก็พาดหัวว่า My Food และ volution Revolution ก็แปลปฏิวัติน น, นะหมายถึงแปลสติหมายถึงว่าสตินี่กำลังจะมันกำลังจะปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลงสังคมอเมริกันนะอันนี้ก็อาจจะเป็นการเขียนตั้งชื่อตั้งหัวข้อให้มันดูเตะตามื้อหวาน่าสนใจนะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นความนิยม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 เป็นห่วงว่าตอนนี้สติไอ้สติกำลังถู ก, ถกทำให้กลายเป็นสินค้ากลายเป็นสินค้าชนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะขายให้กับคนที่สนใจพอเดี๋ยวนี้คนอเมริกันหรือฝรั่งเนี่ยนะเขาเครียดมากนะเขามีความเครียดสูงแล้วเขาก็รู้ว่าไอ้การการลดทอนความเครียด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 อยู่ที่วัตถุไม่ใช่อยู่ที่ความมั่งมีฝรั่งจำนวนไม่น้อยเนี่ยเขาเจริญสติเพื่อเพียงเพื่อจะลดความเครียดจะได้ไปทำงาน m a k มันนี y หาเงินหาทองให้มากขึ้นคือมันยังมีกิเลสตัณหาเป็นพื้นฐานอยู่นะแต่ก็รู้สึกว่าถ้ายังใช้ชีวิตตามปกติ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 แต่ถามว่านั่นคือสัมมาสติไหมไม่ใช่แน่นอนนะเพราะสติที่ผู้ผู้ร้ายมีโจรมีเนี่ยมันเป็นสติที่ไม่สามารถที่จะทำให้รู้ทันกิเลสตัณหาได้มันกลับปล่อยให้จิตใจถูกครอบงำด้วยกิเลสตัณหา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 ไม่ปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงำใจคนที่เจริญสติอย่างถูกต้องนะตามแนวทางที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยกิเลสตัณหาจะลดลงความถือตัวถือตนก็จะลดลงจิตใจไม่ขับแคบด้วยความเห็นแก่ตัวจะมีนำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะว่าพอความเห็นแก่ตัวลดลงแล้วเนี่ยเมตตากรุณามันก็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 ปรารถนาที่ใช้สติของเราเนี่ยนะมันช่วยลดกิเลสตัณหาในใจเราไหมช่วยทำให้เรามีสมรติฐิมากขึ้นหรือเปล่าทำให้เราเห็นว่าให้ความสุขของคนเราจริงๆอยู่ที่ใจนะไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเงินทองชื่อเสียงกิจยศนะพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่เจริญสติก็จะต้องยากจน หรือว่ามีฐานะตําแหน่งต่าๆอันนั้นไม่ใช่แต่หมายความว่าถ้าเราจเจริญสติอย่างถูกต้องเนี่ยเราต้องสามารถที่จะมาเป็นนายของสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเราปฏิบัติไปเราก็ยังตกเป็นเครื่องมือหรือยัตกเป็นเป็นอย่างถือเอาเงินทองเป็นใหญ่เป็นนายอันนั้นก็แสดงว่า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 อย่างถูกทำนะมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแล้วก็ไม่ตกเป็นท่าของวัตถุสิ่งเสพเอาล่ะคำนี้วพุก่านี้นะกลับครับ